แม้พระนางมัซีทรงพิลาบรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรมหาสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยเลยครั้นพระมหาสัตว์ไม่ตรัสด้วยพระนางมสซีก็วันพระหารุไทยเสด็จเที่ยวค้นหาพระโอรสพระธิดาของพระองค์ด้วยอาศัยแสงจันทร์เสด็จถึงสถานที่ทั้งปวงนั้นๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่น ทรงคร่ำครวญตรัสว่าหมู่นี้นี่ก็ต้นว่านี่ต้นยางทายที่ทอดกิ่งค้อมลงมาเป็นรุกขชาติต่างๆพันุ์ที่สองพระกุมารเคยวิ่งเล่นแม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นหมู่นี้นี่ก็ต้นโพต้นขนุนต้นใสต้นมะขิดเป็นไม้มีผลน า, นานาชนิดที่พระกุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเล่น แม่มิได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นมูไม้เหล่านี้ตั้งอยู่ดุดอุทยานนี่ก็เป็นสระน้ํามีน้ําเย็นซึ่งสองพระกุมารเคยมาเล่นแม่มิได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นรุกชาติที่ทรงดอกต่างๆมีอยู่บนภูเขานี้ที่สองพระกุมารเคยทัดทรงเล่นแม่มิได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้น รุปคชาติที่ทรงผลต่างๆมีอยู่บนภูเขานี้ที่สองพระกุมารเคยมาเสวยแต่แม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นเหล่านี้เป็นตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระกุมารทั้งสองเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าเหล่านี้เป็นตุ๊กตาช้าง อิเมโนหัตถิกาอัฏฐาความว่าพระนางมัซีทรงค้นหาพระโอรสพระธิดาบนภูเขาไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขามาสู่อาสมบทอีกทรงคร่ำครวนถึงพระโอรสพระธิดาในอาสมบทนั้นทอดพระเนตรเห็นของเล่นทั้งหลายของพระโอรสพระธิดาจึงตรัสอย่างนี้ ครั้งนั้นฝูงมลึกและปักศีต่างออกจากที่อยู่เพราะสำเนียงทรงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัศีพระนางมัศีทอดพระเนตรเห็นสัตว์เหล่านั้นจึงตรัสว่าเหล่านี้เป็นตุกตาเนื้อสายทองตัวเล็กเล็กตุกตากระต่ายตุกตานกเขาตุกตาชมดเป็นอันมากที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่น แม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้นเหล่านี้ตุกตาหงเหล่านี้ตุกตานกเกรียนตุกตานกยุงมีแววหางงามวิจิตที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองเลยบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเนื้อทายทองสามาได้แก่เนื้อทายทองตัวเล็กๆคําว่า ตุกตากระต่ายตุกตานกเขาสะโสลูกาได้แก่ตุกตากระต่ายและตุกตานกเขาป่าพระนางมสัสีไม่เห็นพระปิยบุตรทั้งสองณอาสมบทจึงเสด็จออกจากอาสมบทเข้าสู่ชัดป่าดอกไม้ทอดพระเนตรตูสถานที่นั้นๆตรัสว่า พุ่มไม้เหล่านี้มีดอกบานทุกฤดูกาลที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่มิได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้นสะโบกขรณีนี้น่ารื่นรมเพรียไปด้วยเสียงนกจากพราคมาคูขันดารดาดไปด้วยดอกมณฑาลกดอกปทุมและดอกอุบลที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่มิได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้น บรร ด, ดาคำเหล่านั้นคำว่าพุ่มไม้วนคุมพายโยได้แก่พุ่มดอกไม้ป่านั่นเองพระนางมาสัสีไม่ประสบพระปิยบุตรทั้งสองณนะที่ใดใดก็เสด็จมาเฝ้าพระมหาสัตว์อีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักเร้าหมองจึงทูลว่าฟืนฝาพระบาทก็ไม่ได้หักน้ำก็ไม่ได้ตัก แม้ไฟก็ไม่ได้ติดเพราะเหตุไรหนาพระองค์จึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู่เพราะคนรักกับคนรักประชุมพร้อมกันอยู่ความทุกข์ร้อนของหม่อมฉันย่อมหายไปแต่วันนี้หม่อมฉันไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ได้ติด นหาสิโตได้แก่ไม่ให้ลุกโพลงท่านอธิบายไว้ว่าข้าแต่พระสวามีเมื่อก่อนพระองค์หักฟืนนำน้ำมาตั้งไว้ก่อไฟในกระเบื้องฐานเพลิงวันนี้พระองค์ไม่ทำแม้อย่างเดียวในเรื่องเหล่านั้นเป็นเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่เพราะเหตุไรหนอหม่อมฉันไม่ชอบใจกิริยาของพระองค์เลยคำว่า คนรักกับคนรักปิโยปิเยนะความว่าพระเวสสันดรเป็นที่รักของหม่อมฉันที่รักของหม่อมฉันยิ่งกว่าพระเวสสันดร น, นี้ไม่มีเมื่อก่อนความทุกข์ย่อมหายไปคือย่อมปราศจากไปเพราะมาสมาคมคือมาประชุมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของหม่อมฉันนี้ แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่ปราศจากไปเหตุอะไรเนาคคำว่าวันนี้นั้นตยัตชะความว่าเหตุการณ์ที่หม่อมฉันเห็นแล้วจงยกไว้เถิดวันนี้หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองนั้นเพราะเหตุนั้นแม้เมื่อหม่อมฉันเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่หายไป แม้พระนางมาสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระมหาสัตว์ก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระมหาสัตว์ไม่ตรัส ด, ด้วยพระนางเจ้าก็เต็มแน่นไปด้วยลูกศรคือความโศกพระกายสันดุดแม่ไก่ถูกตีสเสด็จเที่ยวค้นหาตามที่เคยค้นหาครั้งแรกแล้วสเสด็จกลับมาเฝ้าพระมหาสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหม่อมฉันมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วแม่ฝูงกาป่าก็มิได้ส่งเสียงพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ หม่อมฉันมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วแม้ฝูงนกก็มิได้ขานขันพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามิไดของเราณนะโโนความว่า ข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองของเราเลยข้อว่าผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วเยนะเตนีหตามะตาพระนางมสศีทูลด้วยความประสง์ว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าใครนำลูกทั้งสองไป แม้พระนางมาสัสสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระมหาสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไระไรพระนางมาสัสสีถูกความโศกในเพราะพระโอรส ถ, ถูกต้องแล้วทรงพิจารณาพระโอรสทั้งสองสเสด็จเที่ยวค้นหาไปยังสถานที่นั้นๆด้วยความเร็วดุดลมถึงสามวาระได้ยินว่าสถานที่ที่พระนางสเสด็จเที่ยวค้นหาตลอดราตรีหนึ่ง ประมาณระยะทางราวสิบห้าโยศลำดับนั้นราตรีสว่างอรุณขึ้นพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ณที่ใกล้พระมหาสัตว์อีกพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระนางมัตสีทรงปริเทวนาพลางเที่ยววิ่งค้นหาตลอดซอกบันพศและป่าชัด ในบริเวณเขาวงกฎนั้นแล้วเสด็จกลับมายังพระอาสมอีกทรงกันแสงอยู่ในสำนักของพระราชสวามีทูลคร่าครวญว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้ว แม่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ขานขันเพราะลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วแม่ฝูงนกก็ไม่ได้ขานขัน พระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพม่อมฉันเที่ยวไปที่โคนต้นไม้ที่บริเวณภูเขาและในถ้ำมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วดังนี้แล้ว พระนางมาสสีผู้มีรูปงามอุดมผู้เป็นราชบุตรีผู้มียศประคองแขนคร่ำครวญกันแสงแล้วล้มสลบลงที่พื้นพระสุธาณนะที่ใกล้บาดมูลของพระเวสสันดร น, นั้นแหลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงกันแสงอยู่ในสำนักของพระราชสวามีสามิกัตสันติโรทติความว่า ภิกษุทั้งหลายพระนางมัตสีนั้นสเสด็จเที่ยวคร่ำครวนไปตามเนินผาและป่าไม้ในเวิ้งเขาวงกฎนั้นแล ะ, สะเสด็จมาอาศัยพระพัสดาอีกประทับยืนณที่ใกล้พระพัสดาทรงกันแสงคือทรงครวนคร่ำรำพันว่าณนะโขโนเป็นต้นเพื่อต้องการพระโอรสและพระธิดาข้อว่าดังนี้แล้ว พระนางมัสีผู้มีรูปงามอุดมอิติมัตทีวราโรหาความว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมสีผู้ทรงพระรูปอันอุดมชื่อว่าผู้ทรงโฉมนั้นเสด็จเที่ยวไปนครไม้เป็นต้นไม่เห็นพระโอรสพระธิดาพระคองพระพาหาคร่ำครวญว่าลูกทั้งสองจักตายเสียแน่แล้วดังนี้เป็นต้น แล้วล้มลงณภูมิภาคแทบพระยุคลบารแห่งพระเวสสันดร น, นั่นเองเสมือนต้นกล้วยสีทองถูกตัดฉนั้นลำดับนั้นพระมหาสั์เจ้าทรงตกพระไทยด้วยทรงสําคัญว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนเสียแล้วทรงรำพึงว่ามัตสีมาสิ้นพระชนในที่ต่างด้าวอันไม่ใช่ฐานะหากว่า เธอทำกาละกิริยาในเชตุดรนราชธานีการบริหารก็จักเป็นการใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันก็ตัวเราอยู่ในอรัญญาประเทศแต่ผู้เดียวเท่านั้นจะทำอย่างไรดีหนอแล้วเป็นผู้มีความโศกอันแรงกล้าก็ทรงตั้งพระสติให้มั่นเสด็จลุกขึ้นด้วยทรงสำคัญว่าเราจะต้องรู้ให้แน่ก่อน จึงวางพระหัตต์เบื้องขวาตรงพระหัตถ ay วัตถุแห่งพระนางก็ทรงทราบว่ายังมีความอบอุ่นเป็นไปอยู่จึงทรงเอาพระเต้าตักน้ํามาแม้มิได้ทรงเคยถูกต้องพระกายตลอดเจ็ดเดือนแต่ก็ไม่อาจจะทรงกําหนดความที่พระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความโศกอันแรงกล้ามีพระนายนาเต็มไปด้วยพระอสุชน ช้อนพระเสียนของพระนางขึ้นวางไว้บนพระเผาพรมด้วยน้ำรูปพระพักและที่ตรงพระหัไทยประทับนั่งอยู่ฝ่ายพระนางมัสีพอสักครู่หนึ่งก็กลับได้พระสติเข้าไปตั้งไว้เฉพาะซึ่งฮิริและโอตตะปะลุกขึ้นกราบพระมหาสัตว์ทูลถามว่าข้าแต่พระสวามีเวสันดรลูกทั้งสองของพระองค์ไปไหน พระมหาสัตตรสตอบว่าแน่พระเทวีฉันให้เพื่อเป็นทาสแก่พรามคนหนึ่งไปแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรราชฤาษีทรงวักเน้่มประพมพระนางมาศีราชบุตรีผู้ล้มสลบลงณที่ใกล้บาดมูลของพระองค์นั้น ครั้นทรงทราบว่าพระนางฟื้นพระองค์ดีแล้วจึงได้ตรัสบอกเนื้อความนี้กะพระนางในภายหลังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ล้มสลบลงณที่ใกล้บาดมูลของพระองค์นั้นตมัตชะปัดตังความว่าผู้ล้มลงใกล้พระองค์อธิบายว่าผู้ล้มลงถึงวิสันยีภาพแทบพระยุคลบบาท คำว่าได้ตรัส บ, บอกเนื้อความนี้เอตมัพพระวิความว่าพระโพธิสัตว์ได้ตรัสคำนี้คือคำว่าฉันให้เพื่อเป็นทาสแก่พรามคนหนึ่งไปแล้วแต่นั้นเมื่อพระนางมสีทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ประทานลูกทั้งสองแก่พรามแล้วไม่รับสั่งให้หม่อมฉันผู้คร่ำครวญเที่ยวอยู่ตลอดราตรีทราบความ เพราะเหตุไรพระมหาสัตว์จึงตรัสว่าแน่มสสีฉันไม่ปรารถนาจะแจ้งความทุกข์แก่เธอแต่แรกก่อนพรามแก่เป็นยาจกผู้ยากจนมาสู่ที่อยู่ของฉันฉันได้ให้ลูกทั้งสองแก่พรามนั้นไปแน่มสซีเธออย่ากลัวเลยจงเบาใจเถิดแน่มาซีเธอจงดูฉันเถิด จงอย่าดูลูกทั้งสองเลยยากันแสงไปนักเลยเราเป็นผู้ไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่คงจะได้พบเห็นลูกทั้งสองที่พรานนำไปเป็นแน่แท้สัตบุรุษเห็นยาจกมาถึงแล้วพึงให้บุรรตรปรสสุสัตวทัญญชาตและรั์อย่างอื่นในเรือนเป็นทานได้แน่มาสี ขอเธอจงอนุโมทนาปุตตะทานอันสูงสุดของเราบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแต่แรกก่อนอาทิเยเนวะได้แก่แต่แรกมีคำอธิบายว่าถ้าฉันบอกความเรื่องนี้แก่เธอแต่แรกเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นก็จะไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้หาไทยพึงแตกเพราะฉะนั้น ฉันจึงไม่ปรารถนาะจะบอกแก่เธอแต่แรกให้เป็นทุกข์นะมัทซีคําว่ามาสู่ที่อยู่ครรมาคโตความว่ามายังสถานที่อยู่ของพวกเรานี้ด้วยข้อว่าเราเป็นผู้ไม่มีโรคอโรคาจะพาวามหาเสพระเวสสันดรมหาสัตตร์ตรัสว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เราทั้งสองเป็นผู้ไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่จากคบลูกน้อยทั้งสองที่พรามนำไปเป็นแน่คําว่าทรัพย์อย่างอื่นในเรือนยันจะอัญญะคเรทะนังได้แก่สวิญญาณกะทรัพย์และอวิญญาณกะทรัพย์อย่างอื่นในเรือนข้อว่าสัตว์ุรุษพึงให้เป็นทานได้ ทัชชาสัพ ป, ปริโสธานังความว่าสัตบุรุษเมื่อปรารถนาประโยชน์สูงสุดพึงพาอกควักเนื้อหัวใจให้เป็นทานพระนางมสีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐมอมชั้นอนุโมทนาปุตตะทานอันอุดมของฝาพระบาทฝาพระบาทพระราชทานปุตตะทานอันอุดมแล้ว จงยังพระหฤรุไทยให้เลื่อมใสขอจงทรงบำเพ็ญทานยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของประชุมชนในหมู่มนุษย์ซึ่งมักเป็นคนตรนีเหนียวฝ่าพระบาดพระองค์เดียวผู้ผดุงสีพีรัตให้เจริญได้ทรงบำเพ็ญปิยะปุตตะท า, านแก่พรามแล้วบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าอนุโมทนาของฝ่าพระบาทอนุโมทามิเตความว่าพระนางมัซีทรงอุ้มพระคันสิบเดือนประสูตรแล้วให้สงสนานให้ทรงดื่มให้เสวยวันละสองสามครั้งประคับประคองพระลูกน้อยทั้งสองนั้นให้บรรทมบนพระอุระประเทศครั้นพระโพธิสัตว์พระราชทานพระลูกน้อยทั้งสองไป ทรงอนุโมทนาส่วนบุญเองจึงตรัสอย่างนี้พึงทราบด้วยเหตุนี้ว่าบิดาเท่านั้นเป็นเจ้าของเด็กๆทั้งหลายข้อว่าขอจงบำเพ็ญทานยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพิโยทานังทโทโภพวะความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงเป็นผู้บริจาคทานบ่อยๆให้ยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเถิด ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความตรณีขอพระองค์ผู้ได้พระราชทานพระบิยบุตรทั้งสองจงยังพระหรุไยให้เลื่อมใสเถิดว่าเราให้ทานดีแล้วครั้นพระนางมัสศรีทูลอย่างนี้แล้วพระมหาสัตจินตรัสถึงเหตุอัศจรรย์ทั้งปวงมีแผ่นดินไหวเป็นต้นว่าแน่มัดศรีนั่นเธอพูดอะไร ถ้าฉันให้ลูกทั้งสองแล้วไม่ทำจิตให้เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายของฉันเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปแต่นั้นพระนางมสสีได้ประกาศความอัศจรรย์เหล่านั้นนั่นแลเมื่อจะทรงอนุโมทนาปิยะปุตตะทานจึงตรัสว่าปัทภีก็บรนลือลั่นเสียงสนั่นบรนลือไปถึงไตรทิปสายฟ้าแลบอยู่แปรปราบโดยรอบ เสียงสถทานปรากฏดังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสายฟ้าแลบวิชุลตาอาคูความว่าสายฟ้าผิดฤดูกาลแลบโดยรอบในหิมวันตะประเทศข้อว่าดังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายคิรีนังวะปะติสุตา ได้แก่เสียงโกลาหนปรากฏราวกับเสียงภูเขาถล่มทลายทวยเทพสองมู่ผู้สิงสถิตยอยู่ที่นารทะบันพศถวายอนุโมทนาแก่พระนทศพลเวสันดร น, นั้นพระอินพระพรมพระประชาบดีพระสมพระยมทั้งท้าเวสวรรค์มหาราชและทวยเทพชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทุกท่วนหน้า ย่อมถวายอนุโมทนาพระนางมัซีผู้ทรงพระรูปพระโฉมอันอุดมเป็นพระราชบุตรีผู้มียศทรงถวายอนุโมทนาปุตตะทานอันอุดมของพระเวสสันดรราชฤษีด้วยประการชนีแลบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้สิงสถิตยอยู่ที่นารบนทบรรทศนารทะปับพระตาความว่า เทพนิกายทั้งสองแม้เหล่านี้สถิตยอยู่ที่ประตูวิมานของตนของตนนั่นเองอนุโมทนาแด่พระองค์ว่าทานอันพระองค์ประทานดีแล้วหนอคําว่าชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินท์ตาวะติงสาสอินทากาความว่าแม่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมีพระอินท์เป็นหัวหน้าก็พากันอนุโมทนาทานของพระองค์ พระมหาสัตว์ทรงสรรเสริญทานของพระองค์อย่างนี้แล้วพระนางมสศีก็ทรงนํำเอาข้อความนั้นนั่นเองมาเป็นคำสรรเสริญว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเวสันดรทานอันพระองค์ประทานดีแล้วดังนี้แล้วทรงอนุโมทนาประทับนั่งอยู่ด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสคาถาว่าพระนางมสศี ผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมด้วยประการชนี้แล้วอิติมัตีวราโรหาดังนี้เป็นต้นมัตีบัพพะวันนาจบ